ความหลังในสังสารบทที่สิบสามสิทธิพระตถาคตพระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานอยากรู้ว่าในบรรดาผู้ที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนั้นรวมแม่เชิญสีด้วย หรือว่าหล่อนจะมอดม้้ยมรณาไปเสียก่อนจึงหลับตาตั้งสติไว้ที่หน้าผากกาหนดรู้หนอรู้หนอก็รู้ว่าหล่อนจะตายเมื่ออายุ6กรอบแม่เชิญสีอายุน้อยกว่าท่าน1ิปีเวลานี้ท่านอายุห7หล่อนก็ต้องอายุ47แสดงว่าหล่อนจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก25้าปี ส่วนมารดาหล่อนจะอยู่ต่อไปได้อีกห้าปีนอกจากนี้ท่านยังต้องการรู้อีกว่าผู้ปฏิบัติกว่าร้อยคนเหล่านี้มีใครที่จะไปเกิดเป็นเท พ, พบุตรเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงบ้างจึงกว่าสายตาไปยังทุกคนอย่างรวดเร็วภาพที่ท่านเห็นปรากฏเป็นเทพธิดามากกว่าเทพผบุตรที่เป็นดังนี้เพราะบุรุษ ท, ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านร้อยละแปสิบ จะไปเกิดเป็นเทพทิดาส่วนสตรีที่ไปเกิดเป็นเทพพบุตรมีเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นมิหน้าเหล่าพวกเท พ, พบุตรแต่ละองค์ในสวรรค์ชั้นต่างๆจึงมีเทพทิดาเป็นบริว า, การกันองค์ละเป็นร้อยเป็นพันเพราะเทพทิดามีมากกว่าเท พ, พบุตรนี่เองท่านคิดในใจพระอาจารย์ครับจําเป็นด้วยหรือเปล่าครับที่คนเคยเป็นพ่อแม่เราในอดีตชาติ พอมาพบกันในชาตินี้เราต้องตอบแทนบุญคุณหรือสงเคราะห์ช่วยเหลือในเมื่อเราก็มีพ่อแม่ในชาตินี้ที่เราต้องตอบแทนบุญคุณวุรุษหนึ่งถามขึ้นเขาเป็นชาวพุทธหากก็เป็นพุทธแต่เพียงในนามเพราะเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรและสงสัยกระทั่งว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ที่มาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานครั้งนี้ก็ไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่มาเพื่อหวังว่าบุญจะช่วยเขาเป็นข้าราชการครูสอนอยู่โรงเรียนปถมแห่งหนึ่งในกรุงเทพถูกผู้บังคับบัญชาจับได้วัตทุจริตในเรื่องซื้อนมที่หมดอายุแล้วมาให้นักเรียนกินเมื่อถูกจับได้และกําลังจะอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิด เขาจึงลามาปฏิบัติธรรมด้วยหวังว่าบุญกุศลจะช่วยตนให้พ้นผิดเขาเป็นครูผู้ไร้คุณธรรมเป็นพานชนมิใจกาลยานชนและที่ร้ายกว่านั้นคือเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิการจะตอบคำถามของผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้ท่านจึงตอบว่าสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติเพื่อต้องการพัฒนาจิต ยกระดับชีวิตจากความเป็นปุถุชนขึ้นสู่ความเป็นอริยชนคือจากผู้ที่มีกิเลสนามาเป็นผู้ประเสริฐนั้นเขาจะมีความกระตัญญูกะตะเวทีเป็นคุณธรรมประจาใจของเขาเมื่อจิตของเขาได้รับการพัฒนาคุณธรรมคือความกระตัญญูกะตะเวทีนี้จะผุดขึ้นมาเองโดยที่เขาไม่ได้บังคับเขี่ยวเข็น แต่สำหรับคนที่มาปฏิบตัตเพื่อแก้บนให้พ้นความผิดจิตใจของเขาจะมืดมิดมัวหมองมองไม่เห็นคุณธรรมความดีงามคิดเอาแต่ได้ไม่ยอมเสียคนประเภทนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกคนดีจะมีน้อยลงคนชั่วจะเพิ่มมากขึ้นแล้วโลกก็จะกลับสับสนวุ่นวาย ฆ่ากันตายเป็นเบือทั้งเหนือใต้คนที่มาหลบภยัยภายใต้ร่มเงาของพระศาสนาเท่านั้นจึงจะอยู่รอดปลอดภยัยบุรุษนั้นฟังแล้วรู้สึกร้อนตัวเหมือนตุ๊กแกกินปูนร้อนท้องเขารู้สึกโกรธพระอาจารย์คิดว่ารุ่งนี้จะหนีกลับบ้านมาเจอพระบ้าบอแบบนี้เสียเวลาเปล่าๆ เ, เห็นจะต้องไปส่ะสแสวงหาพระเกจิอาจารย์ให้ช่วย จะได้ไม่ม้วยมรณาถ้าพรุ่งนี้หนีกลับรับรองม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งอย่างแน่นอนพระอาจารย์พูดกับเขาตรงๆท่านเป็นสิทธิ์พระตถาคตจึงเดินตามรอยบาทพระองค์ท่านพระธีวทัตคิดร้ายพยายามจะปลงพระชนพระบรมศ า, ศาสดาหลายต่อหลายครั้งพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงถือโทษโกรธเคือง กลับตรัสว่าพระองค์ทรงเอนดูพระทิวทัศเท่าๆกับเอนดูพระราหุลผู้เป็นพระโอรสท่านเป็นสิทธิ์ตาคตจะโกรดบุรุษผู้นี้ได้อย่างไรกันแค่เขาด่าว่าท่านเป็นพระบ้าบอเขาก็บาปพออยู่แล้วหากท่านถือโทษโกรธก็เท่ากับไปเอี่ยวบาปกับเขาทางที่ดีหาทางช่วยเขาจะดีกว่า แต่ก่อนอื่นต้องตรวจสอบก่อนว่าเขาเป็นมิจฉาทิฐิแบบชั่วคราวหรือว่าเป็นมิจฉาทิฐิแบบถาวรถ้าเป็นแบบแรกก็จัดอยู่ในประเภทเวนัยสัตว์คือสัตว์ที่พอดัดได้สอนได้แต่ถ้าเป็นแบบหลังคือเป็นอเวนัยสัตว์ก็จบกันพระอาจารย์วานเนนหนอช่วยตรวจสอบ เห็นหนอรายงานในบัตรดนนั้นว่าดัดได้สอนได้แต่ต้องใช้ไม้แข็งท่านจึงสัพพยอกเห็นหนอว่าแข็งขนาดไหนล่ะไม้หน้าสามหรือว่ากระบองไม้ประดูเมื่อไม่มีเสียงตอบกลับท่านจึงพูดกับบุรุษนั้นว่าพรุ่งนี้ถ้ากลับต้องตายอย่างแน่นอนเพราะเจ้ากรรมในเวรเขารออยู่เจ้ากรรมในเวรที่ไหนครับ ครูนอกกรีดย้อนถามเพราะต้องการจะลองภูมิท่านอยากรู้ว่าพระบ้าบอรูปนี้จะเก่งจริงหรือว่าเก่งปลอมกันแน่เจ้ากรรมนายเวนนมหมดอายุไงละ่ะหรือว่าจะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวนนมบูดก็ได้เพราะเมื่อนมมันหมดอายุมันก็บูดเด็กนักเรียนกินเข้าไปก็ต้องท้องเสียถึงอาตมาจะเป็นพระบ้าบอก็อรู้ว่า นมหมดอายุนํามาให้นักเรียนกินใหม่ได้ปูนอกเรียดตกใจนะักคิดในใจว่าตายจริงเราลบปูพระอรหันต์เข้าแล้วท่านรีบบอกเขาว่าอาตมาไม่ใช่พระอรหันต์อาตมาเป็นพระอรเหเอาละขอสรุปสั้นๆว่าพรุ่งนี้โยมไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาพระเกจิอาจารย์ที่ไหนมาช่วย โยมต้องช่วยตัวเองให้ได้ร้อยละแปสิเหลือยีสิบพระอระหิจะช่วยขอให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วอย่าคิดอะไรที่ไม่ดีไม่เช่นนั้นจะต้องติดคุกแน่นอนท่านไม่ได้พูดขู่เพราะถ้าเขาไม่มาปฏิบัติธรรมในวัดนี้จะต้องถูกไล่ออกจากราชการและต้องติดคุกสองปีผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นๆก็พากันอยากรู้ว่า เหตุใดบุรุษนี้จะต้องติดคุกจึงถามคนที่นั่งข้างๆต่างคนต่างอยากรู้และถามกันไปถามกันมาเสียงอึ้งคหนหึ่งญาติโยมทั้งหลายโปรดอยู่ในความสงบไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องของคนอื่นเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนผู้ที่นั่งอยู่นัดที่นี้ไม่ได้เป็นคนดีเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนชั่วเหมือนกันหมด ถึงตัวอาตมาเองก็ไม่ได้ดีไปเสียหมดอาตมาก็เคยก่อกรรมทำเวรมามากไมลยหลายอย่างแล้วก็ได้ชดใช้ไปหมดแล้วญาติโยมทั้งหลายก็เช่นกันเราเกิดมาเพื่อสร้างความดีใช้หนี่กรรมการใช้หนี่กรรมที่ดีที่สุดก็คือการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอยากรู้ความดีความชั่วของใคร รู้ของตัวเราเองเท่านั้นพอเมื่อเสียงพูดคุยสงบลงพระอาจารย์จึงพูดขึ้นว่าอาตมาจะอุปมาอุปไมให้ท่านฟังเราทุกคนที่นั่งอยู่นาทีนี้กำลังแสดงละครชีวิตกันรวมทั้งอาตมาด้วยหอประชุมแห่งนี้เปรียบเหมือนโรงละครอาตมารับบทพระอาจารย์สอนกรรมฐานคือเป็นพระเอก ญาติโยมหญิงชายที่นั่งอยู่ณที่นี้กว่าร้อยชีวิตต่างก็คิดว่าตัวข้าเป็นพระเอกนางเอกด้วยกันทุกคนไม่มีใครคิดว่าตัวข้าเป็นพระรองตัวโกงนางโกงหรือว่าตัวร้ายนางร้ายตอนกำลังจะตายนั่นแหละจึงจะรู้ว่าตัวข้าเล่นบทตัวร้ายนางร้ายมาทั้งเรื่องเปรียบเหมือนคนที่เดินทางผิดคิดชั่วทำชั่วมาตลอดชีวิต ตอนที่ยังสุขสบายก็คิดหลอกตัวเองว่าตัวข้าทำความดีช่วยชาติช่วยสังคมครั้นจนจะหมดลมจึงได้รู้ว่าตัวข้าทำความชั่วไว้มากมายหลายเล่มเกวียนเอาละทีนี้ก็มาฟังอาตมาเล่านิทานชีวิตสักเรื่องหนึ่งคือมีนานยทหารยศพลตรีคนหนึ่งมาเล่าให้อาตมาฟังว่าเจ้านายของเข้าเป็นพลเอก ได้ทำโครงการของงบประมาณแผ่นดิน30ล้านไปสร้างถนนเข้าวัดเมื่อได้เงินมาก็แจกใจ่ายให้ภรรยาคนที่สองสามสี่ห้าเงินไม่ถึงวัดถึงว่าสักบาทเดียวภรรยาทั้งหลายได้เงินก็ไปเที่ยวไปจ้างพวกหนุ่มๆ ม, มาเป็นสามีลับๆไม่ให้นายพลรู้แต่ความลับไม่มีในโลกในที่สุดนายพลก็รู้จนได้ พวกเมียเมียก่โกหกบอกว่าเป็นหลานบ้างน้องบ้างญาติบ้างในพลก็เชื่อทำไมถึงเชื่อรู้ไหมท่านถามคนฟังเพราะโง่เงาเจ้าชู้ค่ะคนตอบเป็นสตรีโอ้โหขนาดนั้นเชียวหรืโง่ด้วยเงาด้วยเจ้าชู้ด้วยอย่างนั้นหรอจ๊ะท่านถามยิ้มยิ้มรู้ว่าสามีหล่อนก็โง่เงาและเจ้าชู้ ที่หลอนมาปฏิบัติก็เพื่อจะมาหาวิชาไปปราบสามีที่โง่เง่าเจ้าชู้คนนั้นค่ะพระอาจารย์ผู้ชายเจ้าชู้โง่เง่าทุกคนแต่ผู้ชายโง่เง่าบางคนไม่เจ้าชู้ก็มีหล่อนอ้างเหตุผลตามหลักตร ก, กะวิทยาเพราะเป็นอาจารย์สอนปรัชญาแต่ในพลคนนี้โง่เง่ า, งาเพราะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นกาลยานามิตรใครเป็นปาปามิตรกล่าวคือ นายทหารยศพลตรีที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนเป็นในพลเอกก็พยายามพูดให้สติเจ้านายแต่นอกจากไม่เชื่อลูกน้องซึ่งหวังดีอย่างจริงใจแล้วเขายังลงโทษ ด, ด้วยการไม่ขึ้นเงินเดือนให้สองปีติดติดกันทำไมทำชั่วอย่างนั้นแล้วลูกน้องไม่กโกรธแย่หรอคะถ้าเป็นดิฉันจะจ้างมือปืนไปเก็บเลยเชียวคนชั่วๆอย่างนี้อยู่ไปก็หนักแผ่นดิน สัตรีคนเดิมว่าโอ้โหทำไมโยมใจร้ายจังเลยเสียชื่อผู้ปฏิบัติธรรมหมดพระอาจารย์พูดยิ้มยิ้มได้รู้ว่าหล่อนพูดไปอย่างนั้นเองปากร้ายแต่ใจดีดิฉันพูดเล่นค่ะถึงจะไม่มีใครฆ่าวันหนึ่งเขาก็ต้องตายอยู่ดี ดิฉันเองก็ต้องตายเหมือนกันและเผลอพูดในใจว่ารวมทั้งพระอาจารย์ด้วยจริงของโยมวันหนึ่งอาตมาก็ต้องตายเหมือนกับที่โยมแอบพูดในใจนั่นแหละสตรีนั้นตกใจรีบคุกเข่ากราบขอขามาแทบไม่ทันเอาละ่ะที่นี่มาพูดเรื่องในพลเอกต่อหลังจากเขาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วกรรมก็ให้ผล เป็นกรรมที่เขาทำไว้เองไม่มีใครทำให้ญาติโยมอย่าลืมนะว่าไม่มีใครหนีกรรมพ้นท่านจิบน้ําชาที่ทำจากต้นลูกใต้ใบและต้นมายราบเพราะรู้สึกเจ็บคอจากนั้นจึงเล่าต่อวันหนึ่งก็มีหนังสือจากสํานักงบประมาณมาถึงเขาว่าที่เขาของบประมาณไปสร้างถนนเข้าวัด และอ้างว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณไปตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วนั้นบัดนี้ทางสำนักพบว่าเอกสารตรวจรับที่ส่งมานั้นไม่ได้ออกโดยสำนักงบประมาณสานักได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าดินสักก้อนหนึ่งก็ยังไม่ถึงวัดไม่ต้องพูดถึงถนนส่วนถนนที่มีอยู่นั้นเป็นผลงานของผู้มีจิตศรัทธา ที่พากันรวบรวมปัจจัยมาสร้างถวายวัดเมื่อกว่า10ปีที่แล้วและตอนนี้ในพลทำอย่างไรครับบุรุษหนึ่งถามขึ้นเขาเป็นทหารเก่าที่กเกษียณอายุราชการแล้วและรู้เรื่องกลโกลงของในพลเอกที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาเป็นอย่างดีนายเขาคนนี้มีชีวิตคลุกคล้าวกับสุราและนารีดาเนินรอยตามบิดาของเขาซึ่งเป็นข้าราชการยศใหญ่ หากก็ไปไม่รอดในบ้านปลายชีวิตต้องถูกสอบสวนในข้อหาโกงกินสุดท้ายสารตัดสินให้ไล่ออกจากราชการและจำคุกสิบปีในคดีอาญาเขาแก้ปัญหาโดยชิงยิงตัวตายเสียก่อนป่านี้คงนอนเสวยกรรมอยู่ในนรกรอลูกชายอยู่เป็นแน่อาตมาใหม่ทราบในพนตรีเขาเล่าให้ฟังเท่านี้พระอาจารย์ตอบและสรุปว่าเอาละ ที่อาตมาเล่ามาพอเป็นสังเขปนี้ก็เพื่อจะชี้ให้ญาติโยมเห็นว่าไม่มีใครพ้นจากเวรที่ํากรรมี่ก่อไปได้ไม่ว่าจะมียศใหญ่มีอำนาจรัชศักดิ์เพียงใดหากทำชั่วแล้วก็หนีกรรมชั่วที่ตัวทำไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงใคร่ขออันเชิญพระพุทธวั จ, จะนะจากพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่19หน้าที่สามสิบ มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ญาติโยมศาสนิกทั้งหลายว่าไม่ควรพอใจในบาปดังคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความตอนหนึ่งว่าณตัมหิฉันทางกยิราถะทุกโขปาปัสสะอุ จ, จโยไม่ควรทำความพอใจในบาปเพราะการสั่งสมบาปนำทุกมาให้ ท่านพระครูผู้เล่นบทพระอาจารย์ต้องการตอบคำถามข้าราชการครูผู้นั้นจึงทวนคำถามข้องเข้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนถามเองก็อาจจะลืมไปแล้วเพราะมัวแต่พูดนอกประเด็นกันเพลินอยู่ท่านพูดว่าอาตมาจะกลับมาที่คำถามของโยมผู้ชายคนหนึ่งที่ถามว่าจำเป็นด้วยหรือที่คนเคยเป็นพ่อแม่เราในอดีตชาติ พอมาพบกันในชาตินี้เราต้องตอบแทนบุญคุณหรือว่าสงเคราะห์ช่วยเหลือในเมื่อเราก็มีพ่อแม่ในชาตินี้ที่เราต้องตอบแทนบุญคุณเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะยาวนะยังดีที่อาตมาไม่ได้เป็นโรคสมองเสือ่อมไม่เช่นนั้นคงจำไม่ได้หมดพระอาจารย์คิดว่าจาเป็นหรือไม่คะแม่เชิญสีถือโอกาสถามลูกชายในอดีตชาติ ท่านกำลังเล่นบทพระอาจารย์ก็ต้องเรียกท่านว่าพระอาจารย์ไม่เรียกหลวงพ่อเหมือนที่เคยเรียกถ้าถามอาตมาอาตมาก็คิดว่าจำเป็นที่ตอบอย่างนี้ก็เพราะอาตมาเป็นสิทธิ์พระตถาคตต้องดำเนินรอยตามพระองค์ท่านพระบรมศาสดาของเราทรงเป็นบุตรผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระชนกชนนียังไม่มีผู้ได้ในโลกเทียบเทียมได้ อาตมาประทับใจในความกตัญญูกะตะเวทีของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดาอาตมาจะเล่าให้ญาติโยมฟังโดยสังเขปไว้ณนะที่นี้โปรดตั้งใจฟังและท่านพระครูผู้เป็นพระอาจารย์จึงเล่าว่า ในพรรษาที่สองแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจพระบรมศ า, ศาสดาเสด็จนคนกรกบิลพั์ครั้งแรกเพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระปรโยลยาตทำไมไม่ไปโปรดพระพุทธมารดาใคร ท, ทราบให้ยกมือขึ้นผู้ที่ยกมือมีครบทุกศาสนาท่านเกรงว่าจะแย่งกันตอบจึงตอบซิเองว่า เพราะพระพุทธมารดาสวรรคตตั้งแต่พระสิทธตถากุมารประสูติได้เจ็ดวันเรียกว่าจุติจากโลกมนุษย์ไปอุบัติเป็นเทพผบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดในพรรษาที่เจ็ดโดยทรงแสดงพระอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทพผบุตรที่เคยเป็นพุทธมารดาก็เหาะลงมาฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน แต่ในโลกมนุษย์พระองค์โปรดพระพุทธบิดาก่อนโดยทรงแสดงธรรมโปรดสามครั้งครั้งแรกพระพุทธบิดาทรงได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเป็นพระสกิทาคามีครั้งที่สามเป็นพระอนาคามีและในพรรษาที่สพระพุทธองค์เสด็จนคร ก, รกบิลพัทอีกเป็นครั้งที่สองเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาเป็นครั้งสุดท้าย เพราะในเวลานั้นพระเจ้าสุดโทธนะประชวนหนักพระองค์ทรงเป็นพระอนาคามีแล้วเมื่อไดสดบพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุพระอรหัตต์และปรินิพานในวันนั้นเป็นอันว่าพระบรมศาสดาทรงทดแทนพระคุณพระพุทธบิดาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดท่านหยุดเทศและกวาดสายตาไปยังผู้ฟังเพื่อจะสารวจว่า มีใครทราบซึ้งใจจนน้ำตาไหลออกตาบ้างผลปรากฏว่าไม่มีท่านจึงใช้วิธีสร้างบรรยากาศเสียใหม่ให้ดูคลั่งและขลึมเรื่องก็มีดังนี้ท่านทำเหมือนจะเล่าหากก็ไม่เล่าเพราะยังไม่รู้ว่าญาติโยมศาสนิกที่นั่งอยู่ณที่นี้มีผู้ใดไม่อยากฟังบ้างจึงต้องสอบถามเสียก่อนขอประธานโทษ อาตมายังไม่ได้สำรวจเลยว่าใครอยากฟังใครไม่อยากฟังโยมอยากฟังหรือเปล่าท่านถามบุรุษที่เห็นหนอบอกว่าเขาเป็นชาวคริสผมฟังได้ครับพระอาจารย์บุรุษนั้นตอบไม่ตรงประเด็นนักเขาต้องตอบอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนศาสนกอื่นขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลบหลู่ศาสนาของตัวเองด้วยหากตอบว่าอยากฟัง ก็เกรงใจว่าจะเป็นการฝักไฟในศาสนาอื่นครั้นจะตอบว่าไม่อยากฟังก็จะเสียมันญาต์เพราะเขาต้องการมาเรียนรู้ว่านักบวชในศาสนาพุทธท่านสอนให้แก้ปัญหาชีวิตอย่างไรเขาเชื่อว่าศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักการเหมือนกันคือสอนให้มนุษย์ละชั่วทำดีและเพิ่งมารู้เมื่อปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ว่า ศาสนาพุทธมีหลักการเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งคือนอกจากสอนให้มนุษย์ละชั่วทำดีแล้วยังสอนเรื่องการทำจิตของตนให้ผ่องใสอีกด้วยถ้ามีคนตอบว่าไม่อยากฟังพระอาจารย์จะไม่เล่าหรือคะสตรีผู้หนึ่งถามด้วยเกรงว่าท่านจะไม่เล่าหากมีผู้ตอบว่าไม่อยากฟังเล่าสิเพราะอาตมาแจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่หรือว่า เราทุกคนที่นั่งณที่นี้กําลังแสดงละครกันอาตมาเป็นพระเอกแล้วก็เล่นบทพระอาจารย์ก็ต้องแสดงไปตามบทโยมีปัญหาหรือเปล่าคราวนี้ท่านเล่นบทนักเลงไม่มีค่ะนิมนต์พระอาจารย์ค่ะหล่อนประนมมือพร้อมกล่าวนิมนต์ด้วยคิดว่าพระอาจารย์โกรธพระอาจารย์ต้องการให้หล่อนรู้ว่าคิดผิดจึงมองไปที่หล่อน ส่งยิ้มสวยๆไปให้สตรีนั้นจึงคิดใหม่ว่าพระอาจารย์ไม่โกรธท่านพระครูเห็นว่าญาติโยมทุกคนพร้อมที่จะฟังแล้วจึงเล่าถึงพระพุทธจริยาอันงดงามของพระบรมศาสดาที่ทรงมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุคคลที่เคยเป็นปิดามานดาในอดีตชาติของพระองค์ความว่าพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในอันชนวัน เมืองสาเกตในตอนเช้าได้เสด็จพร้อมด้วยภิกษุสง์เข้าไปในเมืองเพื่อบินทบาทพรามเท่าชาวเมืองสาเกตคนหนึ่งกําลังเดินออกไปนอกเมืองได้พบพระทศพลที่ระหว่างประตูเมืองจึงเข้ามาหมอบลงตรงพระบาททั้งสองจับข้อพระบาทไว้มั่นแล้วกล่าวว่าพ่อธรรมดามานดาและบิดาทิชราแล้ว บุทั้งหลายพึงประครบประงมดูแลเอาใจใส่ไม่ใ่หรือเหตุใดเหล่าพ่อจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏแก่ข้าพระองค์สิ่นการประมาณเพียงนี้ขอพระองค์จงมาเยี่ยมมารดาบิดาดังนี้แล้วก็ได้พาพระบรมศาสดาไปสู่เรือนข้องตนพระศาสดาเสด็จไปสู่เรือนนั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูลาดไว้ฝ่ายนางพระมณีภรยาพราหม ก็ได้มามอบลงตรงพระบาททั้งสองของพระศ า, าสดาแล้วทูลว่าพ่อพ่อไปอยู่เซธไหนสินส้นการประมาณเพียงนี้ธรรมดามานดาและบิดาทิชาราแล้วบุตริดาควรอุปถมัมบำรุงวิจัยหรือ แล้วเรียกบุตธิดาของนางมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำว่าพวกเจ้าจงมาถวายบังคมพระพี่ชายของพวกเจ้าพรามสองสามีภรรยามีใจ ย, ยินดีเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทรงรับภิกษาที่เรือนแห่งนี้เป็นนิดเถิดพระบรมศาสดาตรัสว่า ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงรับภิกษาเป็นนิดในที่แห่งเดียวเท่านั้นพระรามและนางปรมณีจึงกราบทูลว่าถ้าประนั้นขอพระองค์พึงทรงคนที่มาเพื่อนิมนต์พระองค์ไปที่สำนักของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าตั้งแต่นั้นมาพระบรมศาสดาทรงส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์ไปด้วยพระดารัสว่า พวกท่านจงไปบอกแก่พรามเถิดคนที่มานิมนต์เหล่านั้นย่อมไปบอกแก่พรามว่าเราทั้งหลายนิมนต์พระบรมศาสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นพรามก็ได้ถือภาชนะใส่อาหารจากเรือนข้องตนไปสู่สถานที่ที่พระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่และวันใดไม่มีผู้นิมนต์ไปชั้นบ้านอื่น พระบรมศาสดาย่อมทรงธรรมพัฒกิจที่เรือนของพรามและนางปรามณีนั้นพรามสองสามีภรรยาได้ถวายทยธรรมของตนแด่พระตถาคตอยู่ฟังธรรมกถาอยู่ตลอดการเป็นนิดได้บรรลุโสดาปติผลสกิทาคามิผลและอนาคามิผลตามลำดับในการอันสมควร วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพรามคนนั้นรู้ว่าพระเจ้าสุทธทนะเป็นพระบิดาของพระตถาคตพระนางมหามายาเป็นพระมารดาแต่ทั้งที่รู้พรามและนางพรามณีก็ยังเรียกพระตถาคตว่าบุตรของเราฝ่ายพระบรมศาสดาก็ทรงรับรองอย่างนั้นเหมือนกันจกมีเหตุอะไรหนอ พระ บ, บรมศาสดาทรงสะดับถ้อยคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วรัฐว่าภิกษุทั้งหลายพรหมามและนางพรามณีนั้นย่อมเรียกบุตรของตนว่าบุตรดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาแสดงความที่พระองค์เป็นบุตรของสองสามีภรรยารวมทั้งสิ้นสามพันชาติว่าภิกษุทั้งหลายพรหมณ์และนางพรามณีไม่ได้กล่าวตู่ตถาคตว่าเป็นบุตร ในอดีตการพรามนี้ได้เป็นบิดาของเรา500ชาติติดติดกันเป็นอาของเรา500ชาติเป็นลุงของเรา500ชาติถึงนางพรามณีก็ได้เป็นมารดาของเรา5 0าชาติติดติดกันเป็นน้าของเรา500ชา ต, เาเาชาติเป็นป้าของเรา500ชาติเราเป็นผู้เจริญแล้วในมือของพรามณ์ 1,500 ชาติจเจริญแล้วในมือของนางพรามณี 1,500 ชาติแล้วได้ทรงภาสิทธิพระคาถาซึ่งมาในสาเกตชาตกังในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่27ข้อที่68 324หน้า22 91ดังนี้ยัตสมิงมโนโนิวีสติจิตตัญจาปิปสิทติต อทิตถะปุบเพเกโปโเสกามังตัดสมิงปิวิศเสติปุบพเวสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปปังวะยะโทธทะเกติใจย่อมจดจอ่อแม้จิตก็เลื่อมสายในบุคคลได้เขาย่อมสนิทสนมในบุคคลนั้นซึ่งตนไม่เคยเห็นโดยแท้ ความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการอย่างนี้คือเพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำได้เพราะอาศัยเปลือกตมและน้ำฉะนั้นพระบรมศ า, ศาสดาทรงอาศัยตระกูลนั้นประทับอยู่แล้วสิ้นไตรามาสฝ่ายพราหมณ์และนางพรามณีหลังจากบรรลุอนาคามิผล เป็นพระอนาคามีแล้วในเวลาไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอระหันต์แล้วปรินิพพานในวันที่บรร ล, ลุพระอระหันต์นั้นรั้งนั้นตงทั้งหลายทำสักการะอย่างมากมายแก่พราหมณ์และนางพรามณียกสรีระของคนทั้งสองขึ้นสู่เรือนยอดหลังเดียวกันนำไปสู่ป่าช้าแม้พระปรมศาสดาก็ได้เสด็จพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อย เป็นบริวารไปยังป่าช้ากับชนเหล่านั้นมหาชนเหล่านั้นคิดว่าพระมารดาและพระบิดาของพระพุทธเจ้าทำการละเสียแล้วพระบรมศาสดาได้เสด็จเข้าไปยังศาลาแห่งหนึง่งในที่ใกล้ป่าชา้าประทับยืนอยู่มหาชนถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนนั่ส่วนข้างหนึ่งทาปฏิสันฐานกับพระบรมศาสดากราบทูลว่าพระเจ้าข่า ขอพระองค์ยทรงคิดว่าพระมารดาและพระบิดาของพระองค์ทมกาละแล้วพระบรมศาสดาไม่ทรงห้ามคนเหล่านั้นเลยว่าพวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นทรงตรวจดูอธิยาสัยของบริษัทแล้วเมื่อจะทรงแสดงทําให้เหมาะแก่กาลสมัยจึงตรัสราชาสูตรซึ่งมาในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่ย9ข้อที่181 หน้าที่141โดยในเป็นต้นว่าอปังวะตะชีวิตตังอิทังโอรังวะ ส, ะสตาปิมิยะติโยเจปิอติจะชิวติอธัคโสชะระสาปิมิยติชีวิตนี้น้อยหนอสัตย่อมตายหย่อนแม้กว่าร้อยปีแม้หากผู้ใดเป็นอยู่เกินไปผู้นั้นย่อมตายแม้เพราะชราโดยแท้ ในเวลาจบเทศนาธรรมมาพิสมัยคือการสำเร็จมรรคผลได้มีแก่มหาชนจำนวน 84,000 พันอธิบายขยายความว่าเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อชาราสูตรจบลงมหาชนที่ฟังอยู่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอรหันบ้าง รวมทั้งสิ้นแปดมืนสี่พันคนหากผู้ใดบรรลุธรรมสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์จะต้องปรินิพานในวันนั้นคือวันที่บรรลุพระอรหันตนั้นตัวอย่างเช่นพระเจ้าสุโทธทนะพระพุทธบิดาและพรามกับนางพรามณีเป็นต้นเพราะพระอรหันต์ไม่อาจดำรงเพศคลุหัดได้ต้องดำรงเพศบรรพชิตเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีท่านพาหิยะทารุจิริยะ และสันตติอามาตที่บรรลุพระอรหันต์แล้วปรินิพานโดยยังมิทันได้บวชภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่ทราบความที่พรา์และนางพระมณีปรินิพานแล้วจึงทูลถามพระบรมศาสดาว่าพบหน้าของพรา์และนางพรหมณีเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าอภิสมามไยภพของพระอเสขารมีทั้งหลาย ผู้เห็นปานนั้นย่อมไม่มีเพราะว่าพระอเสขามุนีผู้เห็นปานนั้นย่อมบรรลุมหานิพพานอันไม่จุติอันไม่ตายดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถานี้ซึ่งมีมนันธรรมปัฏฐาคกถาฉัตโทภาโคหน้าที่180ความว่าอาหิงสกาเยมุนโยนิจางกาเยนะสังวุตตา เตยันติอจุดตังฐานังยัตถคันตวานะโสจเรติมุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสํารวมแล้วด้วยกายเป็นนิดมุนีเหล่านั้นย่อมไม่สู่ฐานะอันไม่จุติซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกพระอาจารย์เล่าจบลงจึงสำรวจตรวจสอบอีกครั้งว่าจะมีทราบซึ้งถึงกับน้ำตาไหลออกตาหรือไม่ โชคยังดีที่มีถึงสองคนคือแม่เชิญสีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นสตรีมุสลิมมาจากจังหวัดเชียงใหม่หลอนเคยมาที่วัดนี้เมื่อปีที่แล้วครั้งแรกที่เห็นหลอนท่านคิดว่าหลอนคงอายุประมาณ25ปีแต่หลอนบอกว่าคนอายุ25ปีคือลูกสาวของหลอนส่วนหลอนอายุ45ปีที่มาในครั้งนั้น ก็เพื่อจะมาขอให้ท่านช่วยแนะนําว่าจะทําอย่างไรกับลูกชายหล่อนมีลูกสองคนคนโตโจบปริญญาโทแล้วและก็กําลังจะไปต่อปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรเลียลูกสาวเรียนเก่งและอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ส่วนลูกชายดื้อมากและไม่ยอมเรียนหนังสือหล่อนมีเพื่อนเป็นชาวพุทธและเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเจริญวัดป่ามะม่วงเพื่อนของหล่อนแนะนําให้มาขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านเห็นว่ามุสลิมเคร่งศาสนาจึงถามหลอนว่าไม่กลัวคนมุสลิมด้วยการตำหนิติเตียนว่ามีใจฝักใฝ่ศาสนาอื่นหรือหลอนตอบว่าพ่อแม่หลอนและพ่อแม่สามีเป็นคนใจกว้างและเชื่อว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ หล่อนกระตันยูต่อท่านที่ท่านช่วยให้ลูกชายหล่อนหายเกเรหันมาเอาใจใส่ในการเรียนโดยที่ท่านไม่ได้แนะนำให้สวดมนต์เหมือนที่แนะนำชาวพุทธท่านเพียงแต่เสกส้มให้ผลหนึ่งแล้วบอกหล่อนให้นำไปให้ลูกชายกินแล้วเขาจะหายเกเรดังนั้นหล่อนยังแอบเถียงท่านในใจว่าลูกชายเกเรมาตั้งนานกินส้มผลเดียวแล้วหายเกเรจะเป็นไปได้อย่างไร แต่หล่อนก็ไม่มีทางเลือกจึงทำตามที่ท่านแนะนาและลูกชายก็หายเกเรหลังจากกินส้มเสรของท่านได้เจ็ดวันการทำแบบนี้ไม่ใช่จะได้ผลไปหมดทุกรายข้อเท็จจริงอยู่ที่ว่าถ้าเขาเคยเกี่ยวพันกับท่านมาแต่ครั้งอดีตเช่นเป็นลูกหลานหรือญาติสาโลหิตท่านก็ช่วยได้แต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกันมาเลยก็ช่วยได้เพียงร้อยละยี่สบ เขาจะต้องช่วยตัวเองให้ได้ร้อยละแปดสิบจึงจะได้ผลเป็นอย่างไรบ้างโยมสราบซึ้งใจจนน้ำไหลออกตาเลยใช่ไหมละ่ะท่านถามอย่างรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จหลวงพ่อเ อ, อพระอาจารย์จำหนูได้หรอคะหล่อนเรียนถามจำได้สิ หายไปปีเต็มๆเลยนะและเป็นอย่างไรบ้างลูกชายกินส้มเศษของหลวงพ่อแล้วหายเกเรเลยใช่หรือเปล่าใช่ค่ะหล่อนตอบทั้งน้ำตาแล้วพูดต่ออีกว่าตอนนี้เขาไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียกับพี่สาวหนูคิดถึงลูกเลยนั่งร้องไห้ต้องกราบขอโทษหลวงพ่อด้วยที่หนูไม่ได้ฟังที่หลวงพ่อเล่าเพราะใจไปอยู่ออสเตรเลียโ น, น่นกราบขอโทษค่ะ หล่อนก้มลงกราบท่านหนึ่งครั้งท่านพระครูผู้เล่นบทพระอาจารย์รู้สึกผิดหวังอย่างแรงที่สิทธิมุสลิมไม่ได้ร้องไห้เพราะทราบซึ้งในเรื่องที่ท่านเล่าจึงคิดแก้แค้นหล่อนด้วยการถามว่าแล้วที่โยมาปฏิบัติที่วัดนี้ไม่กลัวชาวมุสลิมเขาว่าเอารึท่านหมายมั่นว่าคำถามของท่านจะไปกระทบใจหล่อนจนต้องร้องไห้โฮออกมาแต่การกลับตรงกันข้ามอีกครั้ง หล่อนใช้มือปาดน้ำตาตอบยิ้มยิ้มว่าใครจะกล้ามาว่าล่ะคะก็หนูไม่ได้มาเป็นพุทธสักหน่อยคือว่าพอลูกหนูหายเกเรแล้วหนูก็อธิษฐานว่าจะรอดูให้ครบปีถ้าลูกไม่กลับมาเกเรภายในหนึ่งปีหนูจะมาปฏิบัติเพื่อตอบแทนบุญคุณหลวงพอ่อเรื่องก็มีเท่านี้แหลคะค่ะขอแถมอีกนิดนะคะหนูบริจาคเงินบารุงมัสยิดทุกเดือนอย่างตามเดือนละ500อบาท เดือนไหนมีมากก็บริจาคมากกว่าห0 0รอค่ะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจำฝืนใจยอมจำนวนต่อเหตุผลของสตรีมุสลิมแล้วก็หันไปยึดภาษิ์พูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองจากนั้นจึงหันความสนใจไปที่แม่เชิญสีด้วยมีความหวังว่าหล่อนคงจะช่วยกู้หน้าท่านได้ โยมเชิญสีว่าอย่งางไรทราบซึ่งในพระพุทธเจริยาที่อาตมาเล่าถึงกับร้องไห้เลยใช่ไหมถามแล้วท่านก็กลั้นใจฟังคำตอบโยมก็ต้องกราบขอโทษท่านด้วยที่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างพระโยมมีทุกข์มากมวัวแต่ห่วงตัวเองจนไม่มีสมาธิในการฟังหลวงพ่อต้องช่วยโยมนะคะช่วยเสกส้มให้โยมไปให้หนายโทเธอกินหน่อยเธอจะได้หายเกเร เลิกจองเวณนจองกรรมกับโยมเสียทีพูดแล้วก็ร้องไห้สอึกสอื่นจนมารดาหล่อนต้องสะกิดท่านพระครูรู้สึกผิดหวังต่อเนื่องกันถึงสองครั้งสองคราจึงสรุปง่ายๆว่าเอาละ่ะนี่ก็ใกล้จะสีทุ่มแล้วญาติโยมจะได้พักผ่อนหลับนอนกันพรุ่งนี้ตื่นตีสีอาตมาจะมานำทําวัดเช้าและท่านจึงนากราบพระรัตนตรยัย โดยท่านว่านำ้ำญาติโยมว่าตามดังนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะ ว, วตาธรรมโมสวากขาโตภะคะ ว, วตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิ ทำมังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโคสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโคสังฆังนมามิสังฆังนมา ม, ามิกราบน้ำกราบพระรัตนตรัยเสร็จท่านก็ลุกออกไปในขุนทองซึ่งนั่งสัปงกอยู่เบื้องหลังเมื่อได้ยินท่านขึ้นอรหังก็รีบปุกเข่าปรนนมือ แล้วก็วาดตามจากนั้นจึงหิ้วย่ามเดินตามท่านไปยังกุฏิเขารู้สึกสงสารหลงลงจับใจท่านมาถึงเมื่อตอนสายแล้วก็มาทำหน้าที่สงเคราะห์ญาติโยมมากมายหลายอย่างหลายประการจนแทบไม่มีเวลาหายใจเขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ได้เกิดมาเป็นท่านไม่เช่นนั้นก็จะต้องถูกรบกวนทุกเวลานาทีจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง เรื่องขี่หมูราขี่หมาแห้งก็มารบ ก, กวนท่านช่วยอย่างเรื่องเมื่อตอนหัวค่ำเป็นต้นอยู่เป็นโสดมาจนแก่เกิดจะมาอยากมีผัวเขาหมายถึงอาจารย์สุขุมพรแต่เมื่อนึกถึงค่าจ้างตั้งพันบาทที่ได้มาก็คิดว่ามีอย่างนี้ทุกวันขุนทองก็ทนได้